ต่อจากนั้นก็นับสังคายนาครั้งที่หและ6ซึ่งกระทาในประเทศพม่าสังคายนาครั้งแรกในพม่าหรือที่พม่านับว่าเป็นครั้งที่หต่อจากครั้งจารึกลงในใบลานของลังกาสังคายนาครั้งนี้มีการจารึกพระไตรปิฎกลงในแผ่นหินอ่อน729แผ่นณนะเมืองมันดาเลด้วยการอุ ป, ปถัมภ์ของพระเจ้ามินดง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 ตั้งแต่ครั้งเป็นพระพิมลธรรมได้ลำดับความเป็นมาแห่งสังคยาไว้เก้าครั้งดังต่อไปนี้สังคยาครั้งที่หนึ่งสองสาทำในประเทศอินเดียตรงกับที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นสังคยาครั้งที่สถึงหาทำในลังกาคือครั้งที่หนึ่งที่สองที่ทำในลังกา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 ได้กล่าวถึงการสังคยนาสองครั้งคือครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองในอินเดียดังที่รู้กันอยู่ทั่วไปแต่จะเล่าไว้ในที่นี้เฉพาะข้อที่น่าสังเกตคือในสังคยนาครั้งที่หนึ่งหลักฐานฝ่ายเทราวาดว่าสังคยนาพระธรรมกับพระวินัยพระอนนท์เป็นผู้ตอบคาถามเกี่ยวกับพระธรรมซึ่งหมายถึงว่าพระอนนท์ได้วิสัชนา ทั้งสุดตันตปิดกและอภิธรรมปิดกแต่ในฉบับของทิเบตกล่าวว่าพระมหากัสสปะเป็นผู้วิสัชนาอภิธรรมปิดกส่วนพระอานนท์วิสัชนาสุดตันตปิดกและพระอุบาลีวิสัชนาวินัยปิดกกับได้กล่าวพิสดารออกไปอีกว่าสังขยาสุดตันตปิดกก่อนพอพระอานนท์เล่าเรื่องปรถมมเทศนาจบพระอัญญาโกนทัญญา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 มีคำกล่าวของฝ่ายมหายานว่าภิกษุทั้งหลายผู้มิได้รับเลือกเป็นการกะกระสงคือสงผู้กระทำหน้าที่ในปฐมสังขยาซึ่งมีพระมหากัสสปะเป็นประธานได้ประชุมกันทำสังขยนาขึ้นอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าสังขยาานอกถ้ำและโดยเหตุที่ภิกษุผู้ทำสังขยนานอกถ้ำมีจำนวนมากจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สังคยนามหาสังคิกคือของสงฆ์หมู่ใหญ่เรื่องนี้ปรากฏในประวัติของหลวงจีนเอี้ยนจังผู้เดินทางไปดูการพระพุทธศาสนาในอินเดียที่นายเคงเหลียนสีบุญเรืองแปลเป็นภาษาไทยหน้าร้9และกล่าวด้วยว่าในการสังคยนาครั้งนี้แบ่งออกเป็นห้าปิฎกคือพระสูตรวินัยอภิธรรม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 แล้วพวกมหาสังคีกก็แยกออกมาทำสังคยาของตนการสังขยาของนิกายสัพพติกาวาดการสังขยาของพระเจ้ากนิสกะประมาณในปีพุทธศักราช643พระเจ้ากนิสกะผู้มีอำนาจอยู่ในอินเดียภาคเหนือได้สนับสนุนให้มีการสังคยนาซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นสังคยนาแบบผสม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 คือพระธรรมเทศนาหมวดยาวมัชิมะพานกะผู้สวดคมภีมัชิมะนิกายคือพระธรรมเทศนาขนาดปานกลางโดยในนี้จึงเป็นการแบ่งงานกัรทาในการท่องจำพระไตรปิฎกและมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามีสิทธิ์ของแต่ละสำนักท่องจำตามที่อาจารย์สั่งสอนเป็นทางให้เห็นความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎกด้วยประการชานี้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 2. อมอบให้นิสิต ท, ทั้งหลายของพระสารีบุตรท่องจำมัชชิมนิกาย 3. ม, มอบให้พระมาหากัสปะท่องจำสังยุตตนิกาย 4. มอบให้พระอนุรุษท่องจำอังคุตรนิกายส่วนขุทธกานิกายไม่ได้กล่าวไว้ว่ามอบเป็นหน้าที่ของใครสายอภิธรรมปิดก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 11. ปอ็ดพระติสาท ต, ตะส2ปองพระธรรมิยะส3ปพระทาสกะส4ปพระโซน ก, กะสิบห้าพระเรวตะตามรายนามนี้สืบต่อมาเพียงชั่วสองอาสิห้าปีเท่านั้นต่อจากนั้นยังมีรายนามอีกมากซึ่งนับแต่แผ่ศาสนาไปในลังกาแล้ว